จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดบทข้อที่10กลิ่นชั้นสูงพระพุทธภาษิตอปมัตโตอยังคันโทยะวายังตะคารจันทนีโยจะศีละวตังคันโทวาติเทเวสุอุตโมความว่ากลิ่น ปริศนาและจันทร์เป็นกลิ่นเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลเป็นกลิ่นสูงสุดย่อมฟุ้งไปแม้ในหมู่เทพอธิบายความท่านว่าพวกเทพไม่ค่อยลงมายุ่งกับมนุษย์เพราะพวกมนุษย์กลิ่นเหม็นแรงนอกจากนี้ยังเบื่อที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีศีลธรรมมนุษย์คนใดมีศีลดีมีทํางามย่อมเป็นที่รักของตวยเทพพวกเทพย่อมตามคุ้มครองรักษา ขจัดอันตรายออกน้อมนำแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลเข้าไปให้สมดังพระพุทธภาสิทธว่ายัดสมิงประเทเสกเปติเป็นอาธิแปลความว่าบัณฑิตอยู่ที่ใดย่อมเลี้ยงดูสมณพราหมผู้มีศีลประพฤติรมจันและผู้สำรวมระวังทำบุญอุทิศให้เทวดาอันสถิตประจำอยู่ณนะสถานที่นั้น เทวดาเหล่านั้นเมื่อได้รับการบูชานับถือแล้วย่อมบูชาและนับถือตอบและอนุเคราะห์บุคคลนั้นเหมือนมารดาบิดาตั้งใจอนุเคราะห์บุตรธิดาบุคคลผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบแต่ความเจริญการทําบุญอุทิศให้เทวดาเป็นพรีอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเทวตาพรีเทวดาย่อมรักษาย่อมรักและตั้งใจสงเคราะห์บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม หากเป็นพระที่มีศีลาจรรวดีเทวดาย่อมเคารพ บ, บูชาอย่างยิ่งเช่นพระมหากษัตริะเป็นตัวอย่างเรื่องประกอบการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากษัตริพระาศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปรารกการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากษัตริยเทระมีเรื่องย่อดังนี้ วันหนึ่งพระเถระออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งท่านเข้ามาเจ็ดวันแล้วมีความประสงค์จะสงเคราะห์คนจนท่านจึงต้องการไปโปรดคนจนคนใดคนหนึ่งในเมืองราชครืแต่พวกเทพอปรสรประมาณ500นางรู้เสียก่อนต้องการให้บุญเป็นของตนจึงเตรียมอาหารห0าสำรับไว้คอยตักถวายพระเถระ ขอให้พระเทระรับอาหารเพื่อสงเคราะห์พวกตนพระเทระรู้ว่านี่เป็นเหล่าเทพธิดาจึงบอกให้หลีกไปเสียท่านจะไปสงเคราะห์คนยากจนพวกเทพธิดารวยอยู่แล้วจะโลภไปถึงไหนแม้พวกเทพทิดาจะอ้อนวอนสักเพียงไรก็าหาฟังไม่พวกเทพธิดารอหน้าไม่ติดจึงหลีกไปยังที่พบของตนไปพบ ก, กับเท้าส ก, กะเท้าส ก, กะถามว่าไปไหนกันมา เมื่อทราบเรื่องจากเทพอัปสอนทั้งหมดแล้วปรารถนาจะได้บุญบ้างคิดหาอุบายอยู่ได้มองเห็นอุบายอย่างหนึ่งแล้วจึงปลอมร่างเป็นชายแก่ยากจนเป็นช่างหูกแม้สุชาดาเทพกัญญาก็ปลอมแปลงเป็นหญิงแก่ช่างหูกเหมือนกันเท้าสกะทรงเนรมิตถนนช่างหูกขึ้นสายหนึ่งทอหูกอยู่พระเถระมุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อสงเคราะห์คนจน เห็นถนนสายที่ท้าสกะเนรมิตขึ้นอยู่นอกเมืองได้เห็นคนแก่สองคนทอหูกอยู่พระเทระคิดว่าสองคนนี้แก่แล้วยังต้องทำงานอยู่ในเมืองนี้เห็นจะไม่มีใครเข็นใจยิ่งกว่าสองคนนี้เราจะรับอาหารเพื่อทำการสงเคราะห์คนชราทั้งสองดังนี้แล้วได้บ่ายหน้าไปยังเรือนของเขาเท้าสกะทอดพระเนเธเห็นพระเทระกาลังเดินมายัางเรือนของตนจึงกระซิบ อสุรกัญญาคือสุชาดาวางให้ทําเป็นไม่เห็นท่านเสียชั่วระยะหนึ่งฉันจะกลวงท่านสักครู่หนึ่งเพื่อให้ท่านตายใจแล้วถวายบิณฑบาตพระเทระมายือนอยู่ที่ประตูเรือนสองผัวเมียทําเป็นเสมือนไม่เห็นท่านก้มหน้าทํางานอยู่ครู่หนึ่งผ่านไปท้าสกะจึงกล่าวขึ้นว่าที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเทระยือนอยู่รูปหนึ่งยายลงไปดูซิ ตาไปดูเองเถอะฉันยังยุ่งอยู่สุชาดาตอบท้าสกะสเสด็จออกจากเรือนทรงไหว้พระเถระแล้วเอาพระหัตถ์ทั้งสองยันพระชานุถอนพระไทยสเสด็จลุกขึ้นย่อพระองค์ลงหน่อยหนึ่งพลางตัดว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอแลตาของกระผมฝ้าเสแล้วดังนี้แล้ทรงป้องหน้าดูเมื่อเห็นชัดจึงตัดว่า โอ้พระผู้เป็นเจ้าพระมหากษัตริของเรานั่นเองนานๆมายังประตูกระท่มของพวกเราครั้งหนึ่งมีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไมหมนอสุชาดาธรรมกุลีกูจอกุกกักอยู่หน่อยหนึ่งจึงให้คำตอบออกมาว่ามีตาเท้าสกะจะจัดกับพระเถระว่าขอพระคุณเจ้าอย่าได้คิดว่าทานนี้เศร้าหมองหรือประนีตเลยโปรดทาการสงเคราะห์แก่กระผมทั้งสองด้วยเถิด ดังนี้แล้วทรงรับบาดของพระเถระฝ่ายพระเถระก็คิดจะสงเคราะห์เขาจริงๆว่าจะเป็นผักดองหรือรำกํา ม, มือหนึ่งก็ตามเราจะรับบินทบาตเพื่อสงเคราะห์คนชราทั้งสองนี้ดังนี้แล้วได้มอบบาดให้เท้าสกัดเข้าไปภายในเรือนทรงคดข้าวสุกออกจากหม้อใส่ให้เต็มบาดมอบถวายแก่พระเถระบินทบาทนั้นมีแกงและกับมากมาย พระเถระพิจารณาว่าชายผู้นี้มีศักน้อยแต่บินทบาทของเขาเสมือนของคนมั่งคั่งเขาเป็นใครหนอพิจารณาไปจึงรู้ว่าเป็นเท้าสักกะจึงต่อว่าพราะองค์ทรงแย่งสมบัติของคนยากจนเป็นกรรมหนักเพราะใครๆก็ตามที่เป็นคนเข็นใจถวายบินทบาทแกอาตมาภาพในวันนี้เพึงได้ตำแหน่งและสมบัติพระคุณเจ้าข้าพระเจ้าก็เป็นคนเข็นใจเหมือนกัน ใครใครอื่นจะเข็นใจยิ่งกว่ากระผมมิได้มีเทา้าส ก, ก่ะว่าพระเถระจึงกล่าวว่าพระองค์สวยสิริทิพยะสมบัติในเทวโลกจะเรียกว่าเป็นคนเข็นใจอย่างไรเทา้าส ก, กะ่ะทูลว่าอย่างที่พระกุณเจ้าพูดมานั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าได้กระทำกรรมดีไว้ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้านี่เองมีเทพบุตรใหม่สามองค์ มีศัก์เสมอกันคือจุระรัฐเทพบุตรและมหารัฐเทพบุตรอเนกวันณนะเทพบุตรทํากรรมดีแล้วเกิดที่ใกล้วิมานของข้าพเจ้ามีเดชรัศมียิ่งกว่าข้าพเจ้าเมื่อเทพบุตรทั้งสาพาบาทบริจาริกาออกนอกวิมานข้าพเจ้าต้องหลบหนีเข้าตําหนักเพราะเดชจากศตรีละของเทพบุตรทั้งสานั้นท่วมทับศตรีละของข้าพเจ้า ข้าแต่พระคุณเจ้าใครเล่าจะเขียนใจยิ่งกว่าข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามพระเถระกล่าวตั้งแต่นี้ต่อไปท่านอย่าได้ทำอย่างนี้อีกเมื่อข้าพเจ้าล่วงท่านถวายทานกุศลจักมีแก่ข้าพเจ้าหรือไม่มีพระองค์พระเถระตอบเมื่อเป็นดังนี้การทำกุศลย่อมเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าเท้าสกะตรัส ด, ดังนี้แล้วสรงไหว้พระเถระ พาสุชาดากระทำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดพรางเปล่งอุทานว่าโอทานเป็นทานอันเยี่ยมเราได้ถวายดีแล้วแก่พระมหากรสปะดังนี้สามครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารณเวรุวนณารามทรงสะดับเสียงของเท้าส ก, กะแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าฟังเถิดภิกษุทั้งหลายฟังเสียงอุทานของเท้าส ก, กะ ผู้ถวายบินธบาติแก่กสปะบุตรของเราแล้วภิกษุทั้งหลายทั้งเทพยดาและมนุษย์ย่อมพอใจภิกษุผู้ถือบินธบาติเป็นวัดเช่นกสปะบุตรของเราดังนี้แล้วทรงเปล่งพระอุทานเหมือนกันว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจซึ่งภิกษุผู้ถือบินธบาติเป็นวัดผู้เลี้ยงเฉพาะตนเองไม่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อและว่า ภิกษุทั้งหลายท้าสกจอมเทพเสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเราเพราะกลิ่นศีลโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าอปมัตโตอยังคันโทยวายังตะคะระจันทนิเป็นอาทิมีนยะดังพรนน า, นา ม, มาแล้วแต่ต้นนั่นแล1สิบเอ็ดทางที่มารหาไม่พบพระพุทธภาษิต เตสังสัมปณะสีลานังอปปมาทวิหารินังสัมมทั ญ, ญาวิมุตตานังมาโรมหคังนวินติความว่ามารย่อมหาไม่พบซึ่งทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบตามพระพุทธภาษิตนี้ได้ทำอันเป็นเหตุให้มารตามหาไม่พบสามประการคือหนึ่ง ความมีศีลสมบูรณ์ 2. การอยู่ด้วยความไม่ประมาท 3. ความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบในอุเทศคือพระวาลีทั้งปวงเมื่อกล่าวถึงความเป็นผู้มีศีลของภิกษุก็จะใช้ข้อความเป็นผู้สมรวมในพระปาติโมก ค, คือศีลเป็นหลักเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจระและโคจรคือศีลส่วนปีกย่อยหรือสมบัติผู้ดีมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย คือเห็นการล่วงศิกขาบทแม้เล็กน้อยเป็นสิ่งน่ากลัวแล้วตั้งใจสํารวมอยู่ในศิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อันหนึ่งในอุเทศอื่นอีกเช่นในอริหานิยธรรมสูตรและสารานิยธรรมสูตรกล่าวถึงศีลบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยวินยูชนสารเสริญอันตัญหาแลทิฐิเข้าไปจับไม่ได้และเป็นไปเพื่อสมาธิคือทาให้เกิดสมาธิได้ง่าย ความเป็นผู้มีศีลดีของภิกษุนั้นเป็นเหตุแห่งความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสทำผู้เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้นทำปัจใจที่ทายกถวายให้มีผลมากเป็นอุบายรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนทำตนให้พ้นจากเวรและเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สวรรค์และนิพพานอันเป็นสถานที่มารไม่สามารถหาให้พบได้ ความไม่ประมาทได้อธิบายมามากแล้วในอัปปมาทวัตรวมความว่าการอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่ด้วยการมีสติอยู่ทุกเมื่อทุกอิริยาบถความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบความรู้ชอบนั้นคือรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงไม่ยอมให้สิ่งใดลวงได้ตัวอย่างเช่นรู้สิ่งไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงรู้สิ่งอันเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เป็นต้น หากรู้วิปราชไปเรียกว่ารู้ไม่ชอบเมื่อรู้ชอบอยู่สม่ำเสมอย่อมหลุดพ้นได้วิมุตต์ความหลุดพ้นนั้นท่านจนําแนกไว้5ประการคือ 1. ตะทังคะวิมุตต์พ้นจากกิเลส ช, ชั่วคราวเช่นจิตเป็นสมาธิชั่วคราวเช่นพ้นจากพยาบาทด้วยธรรมคือเมตตากรุณา 2. วิขัมภนะวิมุตต์พ้นด้วยการข่มเอาไวา้เช่น ความพ้นของผู้ได้ฌานสามสมุเฉษวิมุตตพ้นเ้นอย่างเด็ดขาดเช่นการพ้นของพระอริยบุคคลสี่ปฏิ ป, ปสัตธิวิมุตตพ้นอย่างสงบประงับเป็นความเป็นอย่างหนึ่งอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากจากสมุเฉษวิมุตตประการที่สามเหมือนไฟดับแล้วแต่ขี้เท่ายังอุ่นอยู่ส่วนประการที่สีนั้นคืออาการที่เป็นเสมือนขี้เท่าซึ่งเย็นแล้ว หานิสสารณะวิมุตตพ้นอย่างสลัดออกน่าจะหมายถึงการเสวยผลแห่งความหลุดพ้นไปจนตลอดชีวิตซึ่งก็เป็นผลของความหลุดพ้นประการที่สีนั่นเองสืบช่วงต่อกันลงมาเปรียบให้เห็นอีกอย่างหนึ่งสมุเฉชวิมุตต์เหมือนอาการหายโรคเพราะยาเข้าไปตัดปฏิปัปสธิวิมุตตเหมือนความเย็นกายความสบายของกายเพราะไม่มีโรคใดๆเบียดเบียน นิสรณะวิมุติเหมือนการมีความสุขอันยั่งยืนเพราะไม่มีโรคใหม่ใดๆเข้ามาเบียดเบียนอีกอันหนึ่งนิสรณะวิมุตินั้นน่าจะกินความไปถึงการดับขันของพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์อีกด้วยสลัดออกไปจากความทุกข์ทรมานในโลกนี้ทั้งปวงวิมุติทั้งห้าประการนี้สองประการแรกเป็นโลกียะประการที่หนึ่งคนสามัญทั่วไปก็มีได้ประการที่ 2, สองสหรับท่านผู้ได้ฌาน ส่วน3ประการหลังเป็นโลกุตระสำหรับพระอริยะบุคคลวิมุตตทั้งห้านี้บางทีเรียกว่าวิเวก ค, คำอธิบายเหมือนกันผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติสประการหลังดังพรนานามามานย่อมหาไม่พบมานนั้นแปลว่าผู้ล้างผลาญคุณความดีเช่นกิเลสมานเป็นต้นในเรื่องนี้พระศาสดาทรงปรารบการนิพพานของพระโคทิกะ แล้วมาเที่ยวตามหาวิญญาณของท่านมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวรรณเมืองราชครสมัยนั้นพระโคทิกะทำความเพียรอยู่ทีอ่อยู่ที่ถ้ำกาละศิลาวงเล็บคือหินดําข้างภูเขาอิสิคิริท่านทำความเพียรจนได้เจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นครั้งคราวเช่นตทังขวิมุตติและวิขมพนวิมุตติ แต่วิมุตินั้นต้องเสื่อมไปเพราะโรคอันเรื้อรังประจำสังขารบางอย่างของท่านถึงกข น, นั้นท่านก็พยายามเรื่อยไปบางคราวยังฌานขั้นที่สองที่สมให้เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปอีกถึงหครั้งพอถึงครั้งที่7ท่านคิดว่าเราเสื่อมจากฌานถึงหกครั้งแล้วคติของผู้เสื่อมจากฌานเป็นของไม่แน่นอนคราวนี้เราจะทําฌานให้เกิดขึ้น แล้วจะฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้ฌานเสื่อมไปเสียก่อนดังนี้แล้วนามีดโกนมาวางไว้บนเตียงเพื่อจะตัดก้านคอมาเห็นอาการของพระโคทิกะเช่นนี้จึงคิดว่าภิกษุนี้นําศาสตรามาเพื่อปรุงชีวิตของตนภิกษุเช่นนี้ย่อมบทอาลัยในชีวิตเธอเริ่มตั้งแต่วิปัสสนาแล้วอาจบรรลุอรหัตผลได้ถ้าเราจะห้ามเธอเธอก็จะไม่เชื่อเราอยากระนั้นเลย เราจักทูลให้พระาศาสดาทรงห้ามดังนี้แล้วปลอมตนเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าและมีบุญมากข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคนบาทบัดนี้สาวกของพระองค์ชื่อโคทิกะกําลังจะฆ่าตัวตายขอพระองค์ทรงห้ามเถิดข้าแต่พระองค์สาวกนี้ของพระองค์เป็นผู้ยินดีในศาสนา ยังไม่ได้บรรลุทำอะไรเลยจะพึงทํากาละเสียไกลยอยู่ขอพระองค์ทรงห้ามเถิดขณะเดียวกันนั้นพระโคทิกะนาศาสตรามาทําฌานให้เกิดขึ้นแล้วเจริญวิปัสนาท่านได้บรรลุอรหรันพร้อมด้วยสิ้นชีวิตพระศาสดาทรงทราบโดยตลอดและทรงทราบว่าผู้มาทูลพระองค์นั้นเป็นมารจึงตรัสว่าปาฏทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือไม่อะไรในชีวิต โคทิกะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากขึ้นได้แล้วปรินิผ่านแล้วพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแวดล้อมแล้วสเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระโคทิกะขณะนั้นมารเที่ยวแสวงหาวิญญาณของพระโคทิกะอยู่ว่าวิญญาณ น, นั้นไปอยู่ที่ใด mm hmm. เมื่อไม่อาจสแสวงหาให้พบได้จึงแปลงเพศเป็นกุมาร น, น้อยถือพินสีเหลืองเข้ามาเฝ้าพระาศาสดาและทูลถามว่า วิญญาณของพระโคทิกะอยู่ที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่า mm hmm. ภิกษุชื่อโคทิกะ mm hmm. เป็นปราดมีศีลสมบูรณ์ยินดีในฌานมีความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ใยดีต่อชีวิตชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้แล้วไม่มาสู่ภพนี้อีกเธอถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้ปรินญิพานแล้วมานได้ยินดังนั้นเสียใจเศร้าโศกหายไปแล้วพระศาสดาตรัสว่า มารผู้ลามกต้องการอะไรด้วยวิญญาณของโคทิกะคนอย่างมารแม้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจสแสวงหาที่เกิดของกุลบุตรเช่นโคทิกะได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเตสังสัมปันศีลานังเป็นอาธิมีรนยะดังปรนานา ม, มานั้นแหล1สิบสองดอกบัวในกองอยากเยื่อพระพุทธภาษิต ยถาสังการะธานัสม um e ิงอุชิตััสมิงมหาปเถปทุมังตัถฐาเยทะสุจิคันทังมโนระมังเอวังสังการภูเตสุอันทภูเตปุถุชนอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวะโกความว่า ดอกบัวเกิดในกองอยากเยื่ออันบุคนทิ้งว้ายริมทางใหญ่ยังมีกลิ่นหอมเป็นที่รื่นรมใจฉันใดภาษาวกของสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เกิดแล้วในหมู่ปุถุชนผู้มืดบอดอันเป็นประดุดกองอยากเยื่อย่อมรุ่งเรืองกว่าปุถุชนเหล่านั้นด้วยปัญญาฉันนั้นธรรมชาติ ด, ดอกบัวไม่ว่าเกิดในกองอยากเยื่อหรือเกิดในเปลือกตมย่อมส่งกิ่นหอมเป็นที่รื่นรมใจ หามีกลิ่นเช่นกับเปลือกต้มหรือกองอยากเยื่อไม่คงรักษาคุณภาพตามธรรมชาติแห่งตนไว้เข้าทํานองไม้จันท์แม้แห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยเข้าสู่หีบยนก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นแม้เกิดในหมู่คนพาน อยู่ในหมู่คนผานก็าหาเป็นผานไปด้วยไม่มีแต่จะกลับใจคนผานเหล่านั้นให้เป็นคนดีไม่ปรับตัวไปในทางเลวสาวกของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจึงรุ่งเรืองด้วยปัญญาอยู่เสมอพระาศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้พระปรารพนายครหทินขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ ในเมืองสาวัตถีมีสหายกันสองคนคนหนึ่งชื่อคารหะทินเป็นสาวกของนิครนหรือพวกมหาวีระคนหนึ่งชื่อสิริคุทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนื่องจากสองสหายรักกันมากจึงปรารถนาให้เลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใสอย่างเดียวกันวันหนึ่งคาะหทินได้รับคำแนะนำจากพวกนิครนให้ชักส่วนสิริคุตไปเลื่อมใสในพวกตน หากสิริคุตไปเลื่มใสในพวกตนได้ลาบสการะเละชื่อเสียงเป็นอันมากก็จะเกิดขึ้นเพราะสิริคุตเป็นคนรวยและมีพวกมากฆราหทินก็ทําตามคําของอาจารย์มันชักส่วนสิริคุตบ่อยๆว่าคบหาสมาคมกับพวกสมนัโคดมนั้นไม่ได้อะไรสู้คารพนับถือพวกนิครนอาจารย์ของตนไม่ได้จนสิริคุตรู้สึกรําคาญวันหนึ่งสิริคุตจึงถามว่า พระผู้เป็นเจ้าของนายรู้อะไรบ้างโอ้นายคราหถิ่นตอบท่านรู้ทุกอย่างทั้งอดีต ท, ทั้งอานาคตและปัจจุบันจริงๆหรือจริงนายอะไรที่ท่านไม่รู้นั้นไม่มีท่านย่อมรู้เหตุที่ควรและไม่ควรย่อมรู้ว่าเรื่องนี้จะมีเรื่องนี้จะไม่มีสิริคุตทําเป็นเชื่อและบอกว่าทําไมนายจึงไม่บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียทีที่คบกันมานานมีของดีไม่บอก ฉันเนพิงทราบอนุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าของนายวันนี้เองไปเถิดสหายจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้ามาฉันที่บ้านของฉันในวันพรุ่งนี้คราหถินดีใจรีบไปบอกพระคุณเจ้านิคนของเขาสิริคุตพูดกับท่านเองเลยหรือนิคนถามเขาพูดเองเข้าพเจ้าได้ยินมากับหูเองเดี๋ยวนี้เองคราหัตินยืนยันพวกนิคนร่าเริงยินดีเป็นนักหนาพูดกันว่าสําเร็จแล้วสําเร็จแล้ว เมื่อสิริคุชเลื่อมใสพวกเราแล้วสมบัติทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นแก่พวกเราบ้านของสิริคุชใหญ่โตมโหฬาร น, นักสิริคุชหาได้เลื่อมใสในพวกนี้คนจริงไม่เขาต้องการแกล้งพวกนี้คนให้ได้รับความอับอายขายหน้าจึงให้คนขุดหลุมยาวใหญ่ระหว่างตัวเรือนสองหลังให้เอาอุจจระเหลวใส่ไว้จนเต็มแล้วเรียบไม้พรางตาเอาไว้ มีเชือกสําหรับดึงให้แผ่นกระดานแยกออกให้ที่คนตกลงไปในหลุมคูดโดยง่ายให้คนปูอาสนะไว้ไม่ให้มองเห็นหลุมให้เตรียมตุ่มใหญ่ๆไว้ผูกปากตุ่มด้วยใบกล้วยบ้างผ้าเก่าบ้างทําตุ่มเปล่าเหล่านั้นให้เปลือยเปื่อนด้วยเม็ดข้าวต้มข้าวสวยเนยใสน้ํอาอ้อยและขนมมองดูเหมือนมีของเหล่านั้นอยู่เต็มตุ่มแล้วให้วางเรียงรายไว้หลังเรือนวันรุ่งขึ้น คารหฮินรีบไปยังเรือนของสิริคุตแต่เช้าตรู่เพื่อดูว่าอาหารและสถานที่พร้อมหรือไม่เมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วก็กลับไปขณะที่คารหฮินออกไปพวกนิครนก็มาถึงสิริคุตออกจากเรือนไปต้อนรับไหว้ด้วยเบญจางครัประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าของนิครนเหล่านั้นพรางคิดว่าในว่าท่านทั้งหลายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตและอนาคต อุปถาของพวกท่านบอกข้าพเจ้าอย่างนี้ถ้าท่านรู้จริงก็จงอย่าเข้าไปในเรือนของข้าพเจ้าเพราะวันนี้ข้าวต้มก็ไม่มีข้าวสวยก็ไม่มีถ้าพวกท่านไม่รู้ก็จงเข้าไปหากท่านตกลงในหลุมคูดแล้วจะให้ตีซ้ำพวกนิคนไม่รู้ความคิดซึ่งอยู่ในใจของสิริคุตจึงเข้าไปในเรือนเมื่อจะนั่งพวกบริวารของสิริคุตกล่าวว่าเมื่อพระคุณเจ้าเข้ามาสู่เรือนของพวกข้าพเจ้า ควรรู้ธรรมเนียมเสียก่อนแล้วจึงนั่งควรทาอย่างไรนิคโถามพวกของสิริคุตกล่าวว่าท่านทั้งหลายควรยืนอยู่ก่อนยืนอยู่ใกล้อาสนะของตนของตนเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วจึงค่อยนั่งพร้อมกันพวกนิคโ น, นึกชมเชยอยู่ในใจว่าธรรมเนียมนี้ดีจึงประกาศให้รู้ทั่วกันว่าจะต้องนั่งพร้อมกันพอพวกนิคโ น, นั่งเท่านั้นพวกมนุษย์ได้ดึงเครื่องลาดออก ดึงเชือกให้นิคนพวกนั้นตกลงไปในหลุมอุจจาระแล้วปิดประตูตีพวกที่ตะเกียกตะกายขึ้นมาเมื่อเห็นว่าสมควรแล้วก็เปิดประตูปล่อยไปนิคนพวกนั้นไปยังเรือนของคราห์ถินเมื่อเขาเห็นดังนั้นโกรธมากรีบไปเฝ้าพระราชาฟ้องว่าสิริคุศททากับนิคนอันเป็นที่เคารพนับถือของตนดังนี้ดังนี้ขอให้พระราชาลงโทษสิริคุศลโดยปรับเป็นเงินสักพันกหาปณะนะ พระราชาทรงส่งหมายไปยังสิริคุทสิริคุททูลมาว่าขอให้พระองค์ทรงสอบสวนเสียก่อนแล้วจึงค่อยปรับหากยังไม่ได้สอบสวนอย่าเพิ่งให้ปรับพระราชาทรงเห็นชอบกับข้อเสนอของสิริคุทพระราชารับสั่งให้สิริคุทซึ่งเป็นจำเลยให้การเขาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงตามเป็นจริง ให้พระราชาทรงทราบและย้ำว่าอยากจะทดลองว่าพวกนีควรรู้สิ่งทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันจริงดังคำของคารหถินหรือไม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นผลของความโอ้อวดในสิ่งอันตนไม่รู้จริงพระราชาตัดถามคาราหะถินว่าจริงอย่างนั้นหรือไม่เมื่อคาราหะถินทูลรับว่าจริงพระราชาจึงตัดว่า เจ้ายินดีคบพวกนิครนซึ่งไม่รู้แม้เรื่องเพียงเท่านี้แต่โอ้อวดว่าตนรู้ยังสอนสาวกให้โอ้อวดเชียอีกเจ้าเองนั่นแหละจะต้องถูกปรับ 1,000 กหาปณะนะดังนี้แล้วปรับคราหทิน 1,000 พกหาปณะคนะราหาทินโกรธสิริคุตมากไม่พูดเช่นานต่อมาคิดอุบายว่าควรจะแก้แค้นสิริคุตบ้างโดยหลอกล่อภิกษุสงฆ์อันเป็นที่เคารพนับถือของสิริคุต เข้าสู่สกุลของตนแล้วโบยตีทํานองเดียวกับสิริคุตทำแก่นิครนคิดดังนี้แล้วจึงแซงมาทำพูดดีกับสิริคุตอีกว่าสหายสิริคุต ธ, ธรรมดาญาติและสหายทั้งหลายย่อมมีการทะเลาะกันบ้างวิวาทกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาท่านไม่พูดกับข้าพเจ้าเพราะเหตุไรสิริคุตตอบว่าสหายที่ข้าพเจ้าไม่พูดก็เพราะท่านไม่พูดกับข้าพเจ้าก่อน สิ่งที่แล้วไปแล้วนั้นก็ขอจงแล้วไปเถิดอย่าถือโทษกันเลยเราทั้งสองจักไม่ทําลายไมตรีกันจำเดิมแต่นั้นทั้งสองได้รักใคร่สนิทสนมกันดังเดิมอีกต่อมาวันหนึ่งสิริคุตได้กล่าวกับคราหทินว่าท่านคบนิคนอยู่จะมีประโยชน์อะไรท่านนับถือพระพุทธเจ้าและถวายทานแก่พระสงฆ์สาวกของพระองค์จะม่ดีกว่าหรือครหทินอยากได้ยินคานี้อยู่นานแล้วพอสิริคุตพูดขึ้นก็เหมือน เกาถูกแผลคันครหะทินจึงกล่าวว่าพระษาสดาของท่านรู้อะไรบ้างสิริคุตตอบว่าภาษาสดานั้นได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นสัพพัญยูรอบรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ไม่รู้นั้นไม่มีพระองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมกําหนดรู้จิตของสัตว์ทั้งหลายได้ไม่มีกําหนดไม่มีขอบเขตสหายครหะทินกล่าวข้าพเจ้าไม่ทราบเรื่องนี้เลย พบกันมานานนักหนาะท่านไม่เคยบอกสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้แก่ข้าพเจ้าขอท่านจงทูลนิมนต์นพระศาสดาได้ภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยที่บ้านของข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้สิริคุทรับปากครหัถินแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วทูลว่าครหัตถินสหายของข้าพระองค์ขอให้ทูลนิมนต์พระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำวนวนหอเสวยพัตตาหารที่เรือนของเขาในวันพรุ่งนี้ สิริคุตได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงที่ตนกระทำแก่พวกนิคนให้พระศาสดาทรงทราบแล้วเสริมว่าถ้าพระองค์ไม่ทราบว่าคาราหัตินให้อาราธนาพระองค์ด้วยบริสุทธิ์ใจหรือมีความคิดแก้แค้นขอพระองค์จงพิจารณาหากห็นสมควรก็จงรับเห็นไม่สมควรก็อย่าทรงรับพระศาสดาทรงส่งพระญาณไปสํารวจดูทรงทราบเหตุทั้งปวงแล้วทรงรับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคาราหัตินและมหาชนเป็นอันมาก ฝ่ายคณะทินปราบปลื๊มด้วยคิดว่าการแก้แค้นที่รอคอยมานานจักมาถึงในวันพรุ่งนี้แล้วจึงให้ขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือนสองหลังให้นาไม้ตะเคียนมาประมาณ80เล่มเกวียนสุมไฟไว้ตลอดคืนให้กองฐานเพลิงไม้ตะเคียนไว้วางไม้เรียบไว้ปากหลุมปิดด้วยเสือลำแพนทาด้วยโคลไมสดคือขี้วัว ลาดไม้ผุไว้ด้านหนึ่งด้วยหมายใจว่าเมื่อพระเหยียบที่ไม้ผุจะต้องตกลงไปในหลุมฐานเพลิงอย่างแน่นอนต่อจากนั้นให้วางตุ่มเรียงรายไว้ทํานองเดียวกับสิริคุชเคยทําสมัยเชิญนิครนสิริคุชไปบ้านของพระราทินแต่เช้าถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาหารและที่นั่งที่ประทับเมื่อสราบ ท, ทุกอย่างเรียบร้อยก็ดีใจ เมื่อทราว่าพระศาสดาจะเสด็จบ้านของขราหัตินประชาชนก็มาประชุมกันเป็นอันมากทั้งฝ่ายนับถือพระพุทธศาสนาและฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายตรงกันข้ามคิดว่าจากได้เห็นอาการอันประหลาดของพระศาสดาส่วนฝ่ายพุทธสาวกต้องการฟังพระธรรมเทศนาพิเศษอันวิจิตพิสดารด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐวันรุ่งขึ้นเมื่อพระศาสดาเสด็จขราหัตินออกมาต้อนรับภายนอกเรือน ถวายบังคมด้วยเป็นจางคะประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่พรางนึกในใจว่าพระเจ้าข่าอุปถากของพระองค์คือสิริขุดบอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันทรงสามารถรู้จิตของคนทั้งหลายได้หากพระองค์ทรงทราบจริงก็อย่าเสด็จเข้าไปหากไม่ทรงทราบก็จงเสด็จเข้าไปเถิดเพราะในเรือนนี้ข้าวยาขูหรือข้าวสวยหรืออาหารใดๆมิได้มี เมื่อพระองค์และสาวกตกลงไปในหลุมฐานเพลิงก็จะถูกกดขี่โบยตีดังนี้แล้วรับบาดพระศ า, าสดานำเสด็จและกราบทูลว่าธรมเนียมในบ้านของตนมีว่าเมื่อภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปในบ้านนั่งเรียบร้อยแล้วภิกษุรูปอื่นจึงควรเข้าไปทีละรูปคารหทินทูลดังนี้ก็ด้วยประสงค์ให้ภิกษุตกลงไปในหลุมทีละรูปแล้วคมขี่เบียดเบียนพระศาสดาทรงรับว่าดีแล้ว แล้วเสด็จเข้าไปพระองค์เดียวก่อนครหัินนำเสด็จพอถึงหลุมฐานเพลิงถอยออกไปยืนอยู่ให้พระาศาสดาเสด็จไปข้างหน้าพระโลกกนาตผู้อนาวรณญาณทรงรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรติดขัดทรงเหยียบพระบาทลงเหนือหลุมฐานเพลิงเสือลำแพนหายไปดอกบัวประมาณเท่าล้อเกวียนผุดขึ้นบนหลุมฐานเพลิงนั้นไฟดับสนิท พระศาสดาทรงเหยียบดอกปัวไปประทับนั่งณอาสนะที่เขาปลูลาดไว้แม้ภิกษุทั้งหลายก็ไปทำนองเดียวกันเมื่อเห็นดังนั้นพระราหตินเกิดร้อนตัวรีบไปหาสิริคุธโดยเร็วบอกว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยเถิดทำไมละ่ะสิริคุธถามไม่มีอะไรเลยอาหารสำหรับพระไม่มีเลยแลแล้วพระราหตินได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้สิริคุตทราบ สิริคุต์บอกว่าลองไปสำรวจดูอีกทีอาหารอาจมีในตุ่มก็ได้คราหาตินไปเปิดตุ่มดูปรากฏว่าทุกตุ่มมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นเต็มปรีคราหาตินเห็นดังนั้นเออปาบไปด้วยปีติและปราโมทเลื่อมใสพระศ า, าสดายิ่งนักอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อเสวยเสร็จแล้วพระศ า, าสดาทรงอนุโมทนาว่าเพราะไม่มีปัญญาจักสุ คนบางคนจึงไม่รู้คุณของพระองค์และพระสาวกผู้ไม่มีปัญญาจักสุชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดส่วนผู้มีปัญญาชื่อว่าเป็นผู้มีจักสุเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายะถาสังการะานสังมิงเป็นอาทิมีนยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นแลววัคที่สี่เรียกว่าปุพพวัคขวรณ น, น า, นารวม12เรื่องจบเพียงเท่านี้